คำว่าจิตโดยปกติก็มีความละเอียดยิ่งกว่าสินใดๆอยู่แล้วแม้จะมีสิ่งละเอียดด้วยกันซึ่งเป็นฝ่ายต่างฝ่ายมุหมองไปปกคลุมก็ตามจก็ย่อมมีความละเอียดยิ่งกว่าสินทั้งหลายอยู่เช่นนั้นที่ดูดังพระท่าน ตัดเย็บกีวรยอมกระถาท่านถวายผ้ามาให้ตัดเย็บกีวรก็มีพระสงฆ์ในวัดช่วยตัดเย็บเพราต่ก่อนเย็บด้วยมือพอเสร็จแล้วท่านคงจะมีความรักความยินดีในกีวรของท่านแล้ะเผอิญตอนกลางคืนเกิดโรคปัจจุบันโรคท้องในท่านได้ตายตอนกลางคืนเกิด ค, ความห่วงใยในกีวร เลยมาเกิดเป็นเดนอยู่ที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์จำนวนมากมาต้องมีองค์ไหนจะพูดว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าต้องสเสด็จมารับสั่งเพราะว่าจีวรผืนนี้จะแจกให้แจกใครไม่ได้ภายในเจ็ดวันมีพ า, าตติดสะตายแล้วมาเป็นเดนติดเกาะ อ, อยู่จีวรนี่เวลานี้หึงหวงอย่างี ว, นวรนี้ว่างมัน ต้องรอเป็กว่าว่าเล่นนี้ตายไปแล้วถึงจะแจกกันได้จงควรจะให้ออมไหนก็ให้ไปอาญานี้ยังให้ไม่ได้ถ้าที่สามาเป็นตายแล้วมาเป็นเลนเกาะอยู่ในยวนหึงหวงมากมายอย่างนี้กลัวใครจะมาแย่งเอาไปวาง<ม>นะั่นฟังดีจนกระทั่งเจ็ดวันผ่านไปแล้วเพงมารับจังบอกว่านี่แจกแล้ว แก่ได้แล้วพระยิสษะตายแล้วเรนตอนนั้นตายแล้วไปสวรรค์แล้วหนัาจากจ้ะมันไปสวรรค์นะไอเรื่องนี้มันก็ตอนที่ไปไม่ได้ในที่แรกก็คงเป็นความห่วงนั่นเอถึงมันต้องมาเกิดเป็นเรนแล้วเวลาจะตายในความเป็นเรนนี้คงจะหายห่วงแล้วไปสวรรค์ได้นี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า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 มันเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพราะจิตเป็นของละเอียดแลว้วมีกำลังโดยลำธงตัวเองต้องเอาใช้สิ่งอื่นขักดันเช่นฝ่ายต่ำาลักดันให้เป็นยังไงเป็นก็ได้เราจึงต้องสังสมทั้งความดีอนันฝ่ายสูงเพื่อจะขักดันไปทางทางดีจนกระทั่งจิต หมดสิ่งที่ผลักดันตยวอาการทั้งฟวงไม่ว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นอิสระโดยลำพังแล้วนั่นคือหมดปัญหาไป น, นั้เนเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เราจะเห็นแต่มีผู้ใดมาสั่งสอนอุบายวิธีต่างๆ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 สิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจมีอะไรบ้างหน่งแล้วจะแก้ไขกันด้วยวิธีใด่ให้มีใครสามารถมีพระพุทธเจ้าเท่า น, นั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเอกนามไม่กินหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ที่ได้ตรัรสรู้ขึ้นมาในโลกมีแต่ครั้งละองค์เท่านั้นเมันหายากผู้ที่จะเป็นสัสพพนูที่รู้โดยลําพังตนเองแล้วมาสั่งสอนโลก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 หนึ่งไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรูปได้แต่เพียงครั้งระองค์เท่า น, นั้นมีจานว น, นน้อยมากเพราะเป็นสิ่งที่จะเกิดแะเป็นขึ้นได้ยากที่สุดเหตประการหนึ่งประการที่สองพระวจนะที่แสดงออกแสดงออกด้วยความรู้ความเห็นด้วยความปินทุกอย่างได้ตรัสอย่างไรแล้วไม่มีสองเลยนั่เรียกว่าเอก น, นามจิ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 อุตส่าห์เชื่อเข้าไปโดยลำดัแบลาดัแบบแล้วไม่ใช่อุตส่าห์นะพอใจเชื่อแบบนั่นเลยวินาเลยมันผิดกันไหมล่ะกับพยานของพระเจ้าที่ทรงย่างทราบอะไรแล้วจริงขึ้นมาทุกอย่างให้พวกเราย่างลงไปทราบลงไปอะไรเรื่องตั้งกลับตั้งกันนานมาแล้วขี่กาเล <laughs> ไปย่างทราบมาหมดแล้วก็กว้านเข้ามาเผาตัวเองลอกตัวเองอย่างนั้นเ่ะไม่มีอะไรเล่นจำเงาตัวเองะ <laughs> เงาอะไรที่อารมณ์อารมณ์อดีตเป็นมาสักกี่ปีกี่เดือนดีชั่วอะไรยังมาทุ่นมาคิดมาบริกรรมมาอุ่นขึ้นมาให้เผาเจ้าของยุ่งไปหมดส่วนมากไม่ไม่ใช่ของดีนี่จะของชั่วมั้ถ้าเป็นอารมณ์อดีตามาคิดขึ้นมายุ่งเจ้าของมันไปอย่างซาบเอาอย่างนั้นอย่างซาบอย่างซื้อซึมเข้าไป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 พระโอวาทคำต่องสอนคำพุทธะจที่แสดงออกมาจากความรู้จริงถึงจริงจริงเมื่อได้คิดลงโดยทางเหตุผลแล้วอย่างนี้กำลังทางหน้าจิตใจก็เพิ่มขึ้นมาศรัทธาก็เพิ่มวิริยะก็เพิ่มสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนเป็นเครื่องสนับส น, นุนหนีเราเชื่อตัวเองเราก็เชื่อไม่ได้ฮึ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 เราม่ไเกิดมากับสวรสดิภาพานที่ไหนในขณะเกิดเกิดกับกองทุกข์รอดจากทุกข์ขึ้นมาแล้วถึงมาเป็นคนเราจะไปตื่นเต้นตกใจเสียอกแย่ใจกลัวอะไรกับความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาความกับความทุกข์นี่อาจจะเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วนี่เวลานี้ไม่ได้เป็นไปจนคิด้ายไปปวงหรือตายไป น, นี้เราก็ไม่ตายเราผ่านพา้นมาโดยลำดับยิ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะเพิ่มปฏิบัติตัวของเราด้วยความรู้แจ้งเห็จริงโดยทางสติปั ญ, ญญาแล้วเราจะกลัวทุกข์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 เกิดกับทุกทําไมจะไม่รู้เรื่องของทุกเกิดกับสมู่ไทยมีอกิเลสปัญหาสวะทําไมจะไม่รู้เรื่องของสมู่ไทยสิ่งที่ใจรู้มีอยู่สติปัญญามีอยู่กับทุกคนศาสนธรรมท่านสอนไว้กับหัวใจของบุคคลสติไม่หามาจากที่ไหนไม่ต้องสหาซื้อมาจากตลาดถ้าเราไปซื้อหนังสือก็มาเป็นเรื่องเพิ่มสติปัญญาขึ้นภายในใจิตใจของเรานี้นะให้สร้างขึ้นสติปัญญาทีนี้เพงนา์พยายามคิดอ่านซอกแซ่ คบหน้าทวนหลังอยากคิดไปหน้าเดียวถ้าคิดไปหน้าเดียวไม่รอบครอบมีช่องโหว่ตรงไหนนั่นแหละถ้าเป็นบ้านก็โจนผู้ร้ายเข้าที่ช่องนั้นช่องโหว่ของจิตมีตรงไหนกิเลสอาสวะเข้าที่ตรงนั้นก็เกิดอาสวะพลอยที่จะแทรกจิตใจอยู่ตลอดเวลาต้องฝึกหัดสติปัญญาของเราให้ดีอย่าให้เสียเวลาเวลากับสิ่งใดยิ่งกว่า เสียกับความเพียรซึ่งเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวของเราโดยเฉพาะนี้เท่านั้นมีเป็นเป็นจุดสำคัญแต่พระเจ้าขึงนได้สอนบรรดาพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์ทั้งหลายที่ทูลลาพระองค์ไปเที่ยวกรรมฐานไปเที่ยวบยยำเพ็ญธรรมในที่ต่างๆซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้กำลังศึกษา ที่เรียกย่าหากว่าเป็นสาเร็จเป็นอญญายุบุคคลก็ต้องอยู่ในขั้นเสียขับบุคคลที่จะต้องศึกษาเพื่อทาขั้นสูงขึ้นไปเวลามาทูลลาพระพุทธเจ้าจะไปบปําเพ็ญสมณธรรมท่านกอรับสั่งว่าเธอทั้งหลายไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าปราศจากที่พึ่งนะข้าวอยู่ไม่มีที่พึ่ง น, นั้นหาความหมายไม่ได้เลยไม่มีความหมายในตัวบุคคลหาคุณค่าไม่ได้นะพวกเธอทั้งหลาหาธรรมที่มีคุณค่ามาก ทำนี่มีคุณค่านั้นจะมีจะเกิดขึ้นได้เพราะสถานใดเหตุใดถ้ามันเกิดขึ้นได้กับความมีสติความมีความเพียรด้วยสติปัญญายุติตลอดเวลานะยองโวต่างๆนี้แหละคือคุณค่าที่จะทํำสมณะให้เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นคนมีคุณค่าคุณค่าขึ้นมาภายในตีใจนี่เราฟังอวาสของท่านีหน้ า, นาฟังไงเพราะฉะนั้นบรรดาพระสงฆ์ที่ได้รับพระอุวาสจากพระองค์แล้วต่างองค์ต่างสอบแสดงหาสมณธรรม คมเป็นสันมาทธ ร, รมในสถานที่ใดท่านจึงเป็นไปด้วยความสงบเสุขเงียบเป็นไปด้วยความเพียมเนื้อเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทแล้วหาที่เด็ดเดีดเดยวเพื่อความเหมาะสมกับการแก้พิเหรกการฆ่าพิเรกนั่นเองพูดง่ายง่าย mm hmm. เมื่อเข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นเอเรื่องความเพียรเข้ามาเองนตามปกติ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 ความมุ่งหมายเดิมเปี่นาเดิมเป็นยังไงก็คือมามุ่งเพื่อสมณะธรรมมาหาในที่สําคัญที่เด็เ ด, เ ด, เ, ด, เ, ด, เ, ดเดียวเพื่จะได้ตั้งสติตั้งสติปัญญาและความภาคเพลิน้นอย่างเข้มแข็งเนี่ยเมื่อเป็นฉะนั้นและประยู่ตู่สถานที่นั้นด้วยแล้วสติมันก็มาเองเพราะความระวังตัวใครจะไม่กลัวจะไม่เสียดายชวิตไม่อะไรเสีดายชีวิตไม่ ห, หงุดหงิดชีวิตมีเหรอเนี่แม้ว่าธรรมจะมี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 จนได้เมื่อเห็นจุดสาคัญที่เป็นตัวก่อเหตุแล้วไอ้จุดนี้มันก็ระงับตัวลงได้เพราะอํานาจของสติอำนาจของปัญญาพ้นงขวาหมอบนเรื่องความกลัวเลยหายหมดอาจะมันจะไม่หายยังไงก็ปุ๊บไปปรุงมันไม่ปรุงเนี่ยเพราะรู้ตัวของมันแล้วว่า น, นี่ตัวเป็นอันตรายจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่กับตัดขับเสือกรับช่างอะไรที่ไหนโน้นถึงครจะตายอยู่ที่ไหนก็ตายคนเรามีปัจฉิตรทุกแห่งทุกหนทุกอิิยาบถเนี่ ไปหวันไปไหวอะไรกับเรื่องความเป็นความตายพิเลศที่มั็น พ, อพน่อปู่ย่าตาใจนี้เป็นพายันสำคัญอยู่ตลอดเวลาทุกพบทุกชันด้วยมีควรที่จะแก้ที่ตรงนี้ซึ่งความกลัวมันก็เป็นเรื่องพิเลศอันหนึ่งต้องใช้สติปัญญาหันเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่จิตนั้นก็สงบตัวลงไปถทานั้นเมื่อจิตได้สงบตัวลงไปถึงจะคิดจะปรุงได้อยู่ก็ตาม ความกลัวไม่ไม่ไมีง น, นี่เราเห็นคุณค่าเราเห็นผลประโยชน์จากสถานที่นี้ด้วยความเพียรอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจะขยับเข้าไปเรื่อยๆเพื่อทําขั้นสูงต้องหาที่เด็ดที่เดียวเข้าไปโดยลำนับเพื่อทําขั้นสูงยิ่งกว่านี้เข้าไปการประกอบความเพียรในในที่ครับครับขันเช่นนั้นมันเป็นผลประโยชน์เกิดผลได้เร็วยิ่งกว่าธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้น คุณมีน้อยก็อยากจะได้กําไรมากๆให้ได้ผลมากๆจะทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมก็ต้องหาที่เข้มนานเรียกหมอบรื่นเริงบันทึงอยู่ก็อาประธรรมเห็นทั้งโทษทั้งคุณภายในจิตใจของตัวผู้หลอกลวงผู้ข้อควรผู้รู้ยแย่ต่างๆให้เกิดความสะทกระท้านหวั่นไหวให้เกิดความกลัวเป็นกลัวตายอะไรมันอยู่ในจิตใจรูมเรื่องของมันอยู่ที่นี่แล้วนั่นก็สงบ ไอ้เรื่องเหล่านี้สงบแล้วเขาเรียกว่าฆ่าสึกสงบใจก็เย็นสบายเอ้าเดินเสือจะกระหึมก็หึมอยู่ก็กระหึมเคียงเสียงอันหนึ่งเท่านั้นเฮะเขาก็ตายเสือก็มีป่าชาติเต็มตัวของมันเราก็มีป่าชาติเต็มตัวของหเรกหัวอะไรกับสัตว์กับเสือวเริยตัดหงายตอนเวลาทําไมไม่ครัวนี่เอาตรงนี้บอเวลาจะเอาจริ ง, งจริงข้าหมุนตื้อ เกิดความกล้าหาญทานไทยขึ้นมามันจะมีสักกี่ร้อยกี่พันตัวก็มาเถอะเสือนี่เราก็เป็นสัตว์เกิดจากเจิดตายด้วยกันเหมือนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันเนี่ยมันคิดไปอย่างนั้นมันรู้ไปอย่างนั้นเสือะจิตก็เลยรุ่นเดิงบันเทิงสบายแล้วกิเลสค่อยหมดไปหมดไปอ้าวที่นี่ค้นทางด้านปัญญาเมื่อสิ่งกังวลภายนอกคิดจิตไปเกี่ยวข้องนั้นมันระงับตัวลงมา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 ความปิงที่พระองค์สอนไว้เป็นความปิงล้วนๆนั้นเวลานิจิตของเรามันปลอมอันนี้เป็นไอ้จังมันก็ว่านิจจังอันนี้เป็นทุกขังมันกว่าสุขขังอันนี้เป็นอนัตตามันก็ว่าเป็นอัตตาอัดตัวตนอยู่นั่นล่ะอะไรๆมันก็ปกว้างๆนะเป็นตัวเป็นตนเป็นหมดแล้วมันก็ฝืนทำโมระเจ้าเมื่อเข้าสู่ในที่ขับขันเช่นนั้นแล้วมันไม่ฝืนมันยอมเมื่อยอมพระโพธิจ้าแล้วมันก็เห็นธรรมเท่านั้นล่ะอย่างน้อยก็คิดธรรมสมนธรรมคือความสงบเย็นใจ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 มันก็รู้เข้ามาเราให้ถือนี้ลหละเป็นสนามรบเป็นสถานที่ทำงานเรียกว่ากรรมฐ า, านกรรมฐ า, านน่ะพิจารณาตรงนี้แหละมันติดที่ตรงนี้ไม่ติดอะไรแล้วเป็นหลักสาคัญติดตรงนี้ก่อนคว้าดู น, า น, าน่ายลงฐานดูทุกแง่ทุกมุมแห่งอวัยวะเมื่อถึงการที่มันจะซึมซาบแล้วมันก็เหมือนไฟได้เชือ้อมันต่อไปไหมลุกลามไปเรื่อยๆ นี่ถึงความความรู้ขั้นปัญญาที่จะคืนทราบเห็นภวิวัตส่วนต่างๆซึ่งมีความเสมอกันมีความเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นมันแทงทรูปปุ่งไปหมดหายสงสัยปล่อยวางได้ตามความจริงเบาวิวเลยก <c oughs> ารพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยตัวจริงสําหลับตํานาท่านสอนไว้มากน้อยเพียงใดจีคำภีรสอนเข้ามาหาตัวจริง น, นี้ทั้งนั้น <c oughs> เป็นสมาธิเนี่ยอะไรเป็นสมาธิหนังสือไม่ได้เป็นสมาธิเป็นตัวหนังสือกิเลสหนังสือไม่เป็นกิเลสใจของเราเป็นกิเลสเนี่ยปัญญาหนังสือไม่เป็นปัญญาเป็นชื่อของปัญญาต่างๆเป็นชื่อของกิเลสเป็นชื่อของกองทุกต่างหาตัวทุกจริงๆคือตัวของเราตัวกิเลสจริงๆคือใจของเราเนี่ยตัวปัญญาจริงๆอยู่ที่ใจของเราเนี่ยตำนาท่านสอนชี้เข้ามาที่นี่ที่นี่ที่นี่เึงว่าให้โอปัญญีโกน้อมเข้ามา สู่ตัวของเราให้เห็นความจริงอยู่ในสถานที่นี้ความมืดไิดปิดตามันก็ปิดอยู่ที่นี่การพิจารณาด้วยปัญญาก็เพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดกำบงังอันฝูนจากทำฝืนทำทัท้งหลายนั้นให้ออกไปถึงความขั้นความจริงจิต้งเราก็จะโล่งจะได้เห็นตามความจริงโลกระวีถูกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรถ้าไม่ใช่รู้แจ้งสิ่งปิดบังอยู่ภายในท่านในขันธของเราเนี้ก่อนอื่น ไม่มีอะไรจะรู้ต้องรู้ที่นี่ก่อนทุก็ปิดบังสมุทัยก็ปิดบังเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ทําำที่ไหนก็ล้มเหลวไปหมดเนี่ยมันปิดบังมันทําลายธรรมของเราทั้งหมดวิริยะธรรมก็ถูกทําลายสติปัญญาธรรมก็ถูกทําลายขันติธรรมก็ถูกทําลายด้วยอำนาจแห่งทุกเนี่ยถ้าสติปัญญาไม่สามารถแก้กล้าไม่มีความอันารายจริงจะเปิดความทุกเนี่ย เป็นของจริงขึ้นมาไม่ได้ทั้งๆที่ทุกนั้นเป็นของจริงอันหนึ่งแต่เราก็พลาเอามาเป็นของปลอมเป็นพื้นบรรพายเผาจิตใจของเราจนแหลกเล้วไปได้หาความเพียรติดต่อกันไม่เลยเพราะทุกนี้เข้าไปทําลายนียอะไรปิดบังจิตใจก็ทุกนี้เองเป็นเครื่องปิดบงังอืมสมุทัยก็เหมือนกันคิดอะไรหลอกขึ้นมาตั้งแต่เรื่องปิดบงังตั้งแต่เรื่องจอมปลอมทั้งนั้นเราก็เชื่อมไปโดยลํำ ด, ำดับบก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นมากมายกายกอง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 อยกับ น, นิจังก็ไม่เห็นนิจังอยู่กับทุกคขงังก็เห็นทุกครังอยู่ปัหน้าตาก็เห็นหน้าตาแล้วจะเห็นธรรมคือความจริงแท้แน่นอนได้ที่ไหนเมือ่อสติปัญญาอย่างใบนนี้มันก็เปิดเผยเออกไปเรื่อยๆไม่ต้องบอกเรื่องอุปทานจะขาดสะพัานต่นาคน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาให้พิจารณาสติปัญญาหรือให้ผิดสติปัญญาขึ้นให้ดีเราอย่ากลัวจิตตาอย่ากลัวจิตชิบหายอย่ากลัวจิตร่มจมธรรมชาตินี้ไม่ล่มจม เพราะธรรมชาตินี้เท่านั้นที่จะพิจารณาสินทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นก็มาอาศัยธรรมชาตินี้อยู่ด้วยการไปถ้าเราหลงก็ถือว่าเป็นเราแล้วถึงนั้นก็เป็นภัยต่อเราได้ถ้าเรารู้โลกตา่างอันต่างจิงอยู่อย่างสะดวกสบายในที่ตรงนี้นักรบต้องเป็นผู้กระหายต่อความจริงให้เห็นความจริงจิตเป็นผู้ที่ชอบรู้ชอบเห็นมีสายอยากผู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลา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 เรื่องพระพุทธเจา้าก็หายจงสัยเรื่องความภาคเพียนพระพุทเจ้าที่ทรงบำเพ็ญอย่างไรหายจงใสอุบายวิธีต่างๆที่ทรงสอนไว้หายจงใสไว้ทั้งหมดน่ะเมื่อถึงขั้นหายหายไปโดยลํำดับลํำดับท่านตรงพิจารณาขันธ์ของเราเนี่เอาให้ดียินเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อได้แล้ว เราจะนอนใจไม่ได้เอาลงให้เห็นเหตุเห็นผลกันจนกระทั่งสิ้นลมอ้าวลมมันสิ้นไปจากตัวของเรานี้มันก็ไม่ทิพไผ่มันก็ไปเป็นลมตามเดิมมันผานจากเราไปตัางหากเนี่ยคำว่าเราเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นเราเนี่ดินสลายลงไปจากคำว่าเรานี้ก็ไปเป็นดินน้ำสลายลงไปจากคำว่าเราอันี้มันก็เป็นน้ำไปเป็นลมไปเป็นไฟ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 เราตรากลัมอะไรต่อสิ่งอื่นเราเคยาตากลัมมามากแล้วเราเคยฟังว่าเราเคยเนี่ยแล้วสิ่งนี้ทําไมเราจะไม่สามารถพระพุทธเจ้าไม่ธรรมามุริเจ้าไม่จะเพชฌฆาตพอจะฆ่าคนผู้มีความเพียรอันกล้าหาญให้ทิพย์าหายวายพวงไปนีนอกจากจะฆ่าที่เดตะชวะซึ่งเป็นตัวฆ่าสิ่งอุพาณาจิตใจให้เราลุ่มหลงไปตามนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเห็นเป็นนาลงเห็นชัดเจนดูให้ดี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 เดินตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้เรื่องนี้แล้วรู้ตามนี้แล้วจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาธาตุก็ธาตุขันก็ขันให้ชื่อว่างไงก็เธอเขาก็เป็นสภาพของนั่นแหละเราผู้ให้ชื่อเขาว่านี่เป็นธาตุนั่นเป็นขันนี่เป็นรูปนั่นเป็นเวทนานี่ยเป็นสัญญานี่เป็นหักฐานนี่เป็นยืญยานขอให้ปัญญามันรู้ทั่วถึงเท่านั้นแหละมันก็หมดสมมุติไปเองสิ่งนี้ไม่ไปสมมุติมันเป็นอาการอันหนึ่งๆเท่านั้นที่จิตแยกออกไปทราบิจิตแยกออกไปให้ความหมายต่างๆ เมื่อทราบประมหมายงจิตแอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนั้นทั้งทั้งหลายนั้นมันก็เป็นความจริงของมันล้วนๆจิตก็มาเป็นความจริงของตนล้วนๆแล้วไม่คล้าเข้ากันนี่ขึ้นหน้าเห็นชัดอย่างนี้เห็นสิ่งนั้นแล้วก็ค้นลงไปี่มันอะไรจิตดวงนี้มันทําไมมันขยันนักเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งทั้งที่โลกก็กลัวกันทั้งหนาเราเองก็กลัวเรื่องความตายแต่ทําไมความเกิดจความเกิดนี่จึงขยันนักตายแล้วปั๊บเกิดปุ๊บฮะเกิดปุ๊บก็แบกก็ทุกปุ๊บพร้อมกัน ทำไมจึงขยันนักพิจารณาให้มันเห็นมันเกิดขึ้นไปจากเรื่องอะไรถ้าให้เกิดถ้าไม่ใช่จากกิตซึ่งเป็นมีเชื้ออันสาคัญแต่อย่ภายนในจะเป็นอะไรพาให้เกิดพาให้เป็นเป็นถุกเกิดเป็นบอกเกิดแทนถูกนักพิจารณาลงไปคนลงไปอา้าอะไรจะชิบหายให้เห็นให้รู้เพราะเราต้องการหาความจริงนี้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 เพราะฉั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเขาไปฟันเข้าไปฟาดเข้าไปแหลกและเอย่าไปตามๆกันหมดอะไรที่ไม่ใช่ของจริงในในธรรมชาติซึ่งมีอพานาจินแล้วมันจะสลายตัวกันไปอันในเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วจะไม่มีสลายเช่นความรู้เมื่อแยกสิ่งที่แปรปลอมสิ่งที่แท้จริงมาหลายออกหมดแล้วจิตก็เลยเป็นจิตล้วนๆเป็นความบริสุดนั่นคิดหายไปไหนความบริสุทิ์ แล้วลองค้นหาดูที่ป่าช่างความประพฤติป่าช่างในจิตนี้ไม่มีให้ปรากฏยิ่งชําระสถ่งที่จอมปลอมให้พายไปเที่ยวเกิดนั่นถือร่างนี้ร่างนั้นออกหมดแล้วยิ่งเป็นความเด่นชัดนี่แหละท่านาทําประเสริฐประเสริฐที่ตรงนี้พุ่นแต่ก่อนพุ่นนี้แหละเป็นตัวสาคัญล้อตัวเองในตลอดเวลาสิ่งที่พาให้หลอกอยู่ในจิต กิ่งกิ่งกินเป็นเหมือนผู้ฟุตบอลนั่นแหละถูกเตะกิ่งไปกิ่งมาอย่างนั้นฮะที่เลยนนั่นแหละมันเตะนะมันฟันขาเอยให้มันแหลกที่ทำให้เตะนะฟันด้วยปัญญาของเราสติของเราไม่แหลกหมดมันโกงแนวนะมพานเที่ยงคุณไปถามที่ไหนกินพอถึงจุดที่เที่ยงคือไม่มีอะไรที่จะเข้ามาแทรกสิงได้แล้ว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 อยงานล้างปชาช้าของตนล้างที่ตรงนี้พบน้อยพบใหญ่อะไรออกให้หมดให้ไร่เหลือนะี่ผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเร่มแรกเข้าอยู่ในป่าในเขาเข้าก า, า, ารฝึกฝนทระมานประเดิงไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดที่พระเจ้าทรงสั่งสอนพระสงฆ์สาวาากให้ไปเที่ยวกรรมฐานไปเที่ยวแบบนี้แหละที่นี่คำว่ากรรมฐานนี่ก็มีอยู่กับทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาส กรรมฐานคืออะไรเจีสารุมานะคะนตาแตโจงา น, นปัญจะพระงานปก็จะปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเป็นคํารบผ้ามันก็มีอยู่กับผูกคนเนี่ยไม่ว่าจะพระเป็นนี<ม>พิจารณาตรงนี้มันก็เรียกว่าพิจารณากรรมฐานเที่ยวอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานหลงกับหลงอันนี้พิจารณานี้รู้แล้วก็รู้กรรมฐานผอนถอนกรรมฐานผอนถอนพบผ อ, อนถอนภาพหรือดตาลสารเลือดที่ตรงนี้ ดวงเข้าไปก็ไปรื้อที่จิตใจก็หมดปัญหาที่ตรงนั้นนั่นแหละกรรมฐ า, านสมบูรณ์แล้วพุทธิตังธรมรมจารยยังเสร็จทุกพรมัจจันได้อยู่จบแล้วจบที่ตรงนี้จบทุกสินทุกอย่างศาสนานลงที่จุดนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรง ส, งสอนอะไรต่อไปอีก พราศาสนาศาสนธรรมมุ่งถึงจุดนี้คือคือมุ่งล้างฝากช้าของสัตว์ที่เป็นนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วก็เป็นอนหมดบัญหาสาวกจะอยู่ด้วยกันเป็นกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามท่านจะไม่มีอะไรสอนขันให้เพื่อการบำลุงอย่างนั้นบำลุงนี้แม้จะลุ่มร้อนพระพุทธเจ้าอยู่ก็ตามพระองค์ก็ไม่ทรงสอนเพื่อการละพิเดเพราะนั่นละกันหมดทุกสิก่ง ท, ทุกอย่างดังที่พระโอ้อา โอวาทปฏิโมกในมาห์ฮะบูชาดังที่เทศเมื่อคือนสรรพปราาะสาการนางกุสสรราากกตสุประช่างประดาภิกิตะประเยรนปานังอิตังบุทานาสาสนานะท่านประกาศหรือวท่านแสดงเป็นสัมโมดนกนาถาเครื่องรื่นเรินสําหรับสาวกเท่านั้นไม่ได้แสดงเพื่อให้สาวกละถออะไรทั้งหมดเพราะบรรดาสาวกเหล่านั้นล้วนได้ตั้งแต่เป็นพระอราหันต์เป็นผู้สิ้นชีวิตอาระหมดโดยประการทั้งปวง การทําบาป ก, ก็มีความฉลาดก็ถึงพร้อมจิตก็จนกระทาั่งถึงขั้นบริสุทธิ์หมดจดทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างแล้วถูกต้องตามหลักว่าเอตังมุธาสาระสนังที่เป็นคําสอนผู้ชอบทุกๆองค์แล้วท่านไม่สอนเพื่อลรักจิเดชอันใดอีกต่อไปเลยพระราหัตั้อยู่เท่าไหร่ท่านจึงสะดวกสบายทั้งหมดท่านไม่มีอะไรกระทบกระเทือนตอนและผู้อื่นเพราะเป็นความบริสุทธิ์ล้นแล้วแต่พวกเรามีจีตเดชอยุปนายัยไม่ ทะเลาะกับเด็กกระทะกับตัวเองเนี่ยยุ่งกับตัวเองออกไปยุ่งตัวเองก็เอาเรื่องยุ่งตัวเองนี่ไปยุ่งคนอื่นอีกละหมาดไปหมดขี้โลคขี้โกรธขี้หลมเอาไปป้ายไปทาคนนั้นทาคนนี้แหลกเหลือไปหมดร้อนโกรธขอุละหมาน่วุ่นไปหมดอเลยเป็นสภามวยขึ้นมาในวัดในว่างอันนี้ก็อนามากมายก่ายกองก็เพราะอันนี้สงของสกปร ก, กมีภายในจิตใจนี่เอง ถ้นม้ก็หมดปัญหาเอาละการก็นำก็อยูนคว